สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเฟ 5, เชอต ร, ร, รตอนที่สามร้อยห้าสิบห้าเรื่องวิบัติปกประการตอนที่หนึ่งครับพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมลูกาบทที่สิบอ็ดข้อที่สามสิบเจ็ดพระธรรมลูกาบทที่สิบเอ็ดข้อที่สามสิบเจ็ดเราจะอ่านจนถึงข้อที่สี่สิบสี่นะครับโปรดฟังพระเจนะของพระเจ้า เมื่อพระองค์ยังตรัสอยู่คนหนึ่งในพวกฟาริสีเชิญพระองค์เสวยกับเขาพระองค์จึงเสด็จเข้าไปทรงเอ็นทั ก, กายลงฝ่ายคนฟาริสีเมื่อเห็นพระองค์ไม่ได้ทรงล้างตามพิธีก่อนเสวยก็ประหลาดใจองค์พระบิดาเจ้าตรัสกับเขาว่าเจ้าพวกฟาริสีย่อมชำระถ้วยชามข้างนอก แต่ข้างในของเจ้าเต็มไปด้วยความโลภและความชั่วร้ายโอ้คนโฉดเขา่าผู้ที่ได้สร้างข้างนอกก็ได้สร้างข้างในด้วยมิใช่หรือแต่จงให้ทานตามซึ่งเจ้ามีอยู่ข้างในและดูเถิดสิ่งสารพัดก็บริสุทธิ์แก่เจ้าทั้งหลายแต่วิบัติแก่เจ้าพวกฟาริสีด้วยว่าพวกเจ้าถวายทัศน์ของสารเณ่ และขมิ้นและผักทุกอย่างแต่ได้ละเว้นความชอบธรรมและความรักพระเจ้าเสียสิ่งเหล่านั้นพวกเจ้าควรได้กระทําอยู่แล้วแต่สิ่งอื่นนั้นก็ไม่ควรละเว้นด้วยวิบัติแก่เจ้าพวกฟาริสีด้วยว่าพวกเจ้าชอบที่นั่งอันมีเกียรติในธรมารมศาลาและชอบให้เขาคำนับที่กลางตลาดวิบัติแก่เจ้าด้วยว่าเจ้าทั้งหลาย เป็นเหมือนที่ฝังศพซึ่งไม่ได้ปรากฏและคนที่เดินเหยียบที่นั่นก็ไม่รู้ว่ามีอะไรพี่นะครับในวันนี้เราจะพูดถึงวิบัติสามประการแรกนะครับในบทบริบทพระคัมภีร์ตอนนี้นั่นทำให้เราเห็นว่าพระเยซูได้ถูกเชิญให้ไปร่วมรับประทานอาหารที่บ้านของฟาริสีคนหนึ่งครับแต่จากตรงนั้นเอ ง, เองครับพระเยซูก็ถือโอกาสที่จะเตือนสติ บอกล่วงหน้าถึงวิบัติย้ำเตือนเขาถึงความรุนแรงหากว่าเขายังไม่ได้กลับใจเขายังดำรงชีวิตอยู่ในความวิบัติพี่น้องครับขณะที่พระเยซูกำลังเตรียมตัวรับประทานคนพริสีนั้นก็เห็นพระองค์ว่ามิได้ล้างตามพิธีก่อนนะครับในระเบียบพิธีของพวกฟริสีหรือพวกยิวนั้นจะต้องมีการชำระ นะครับล้างมือนะครับต้องล้างก่อนกินข้าวครับหรือก่อนเสวยพระเยซูทรงล้างเรียบร้อยแล้วนะครับตอนที่พระเยซูทรงล้างเท้าก่อนเข้าบ้านพวกฟาริสีนั้นก็ทําตามพิธีการชาระร่างกายและพิธีการชําระถ้วยชาอย่างอย่างครบถ้วนก่อนที่จะรับประทานอาหารคิดน้องครับการชําระนี้ต้องใช้น้ําตามปริมาณที่กําหนดไว้ น้ำนี้จะต้องถูกบรรจุไว้ในภาชนะหินใบใหญ่และวิธีการล้างก็มีรายละเอียดมากมายหลายขั้นตอนนะครับรายละเอียดต่างๆเหล่านี้นมีบันทึกอยู่ในหนังสือของยิวชื่อว่ามิชนาและยังมีรายละเอียดปริจย่อยที่เขียนเพิ่มเติมมาโดยบรรดาพวกผู้นำศาสนาดังนั้นเองพวกฟาริสีนั้นจึงไม่ได้หมายถึงการชาระเพื่ออนามัยอย่างเดียวแต่รวมถึงการทาพิธีการชาระ ตามที่พวกเขาเชื่อว่าจะช่วยคงความบริสุทธิ์ทางศาสนาพระเยซูก็เลยฉวยโอกาสนี้นครับในการสั่งสอนฟาริสีให้เปลี่ยนม n d เซ t ของเขาให้เปลี่ยนวิธีการคิดกระ บ, บวนการความคิดของเขาเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่เขาจะได้มีชีวิตที่พอพระทัยพระเจ้าแต่เป็นคงเป็นไปนไม่ได้ที่พวกเขาจะกลับใจพี่น้องครับขณะที่พระเยซูนั้นเป็นพระเจ้าที่ประทานโอกาสเสมอ พระเยซูก็กระทำการนี้ด้วยความรักการเตือนวิบัติหกประการนั้นเป็นเรื่องราวที่มีความสำคัญมากครับและสำหรับเราทั้งหลายนะครับในหลายๆด้านของชีวิตเราปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเราเป็นคนสองหน้าหรือที่เราเรียกว่าหน้าซื่อใจคดพี่น้องครับในข้อสามสิบเก้านะครับพระเยซูตำหนิพวกผู้นำศาสนาที่มัวแต่ชำระถ้วยชาม ร่างกายภายนอกแต่จิตใจข้างในนั้นเต็มไปด้วยความโลภและความชั่วร้ายพระเยซูเสนอให้พวกเขาในข้อ41นะครับบอกว่าแต่จงให้ทานตามซึ่งเจ้ามีอยู่ข้างในนะครับจงให้ทานตามซึ่งเจ้ามีอยู่ข้างในไม่ต้องให้คนอื่นเห็นครับไม่ต้องปฏิบัติศาสนาและเพื่อให้คนอื่นยกย่องไม่ต้องทําอะไรในธรรมศาลาแล้วคนอื่นจะต้องให้เกียรติเราที่น้องครับ ใจิตใจของเราต่างหากข้างในครับสําคัญในการให้ทานในการให้ความช่วยเหลือในการถวายทรัพย์พี่น้องครับพระเยซูตรัสคําที่สําคัญประโยคนึงครับทรงตัดว่าสิ่งสารพัดก็บริสุทธิ์แก่เจ้าทั้งหลายนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าข้างในเราสะอาดนะครับสิ่งสารพัดที่ออกมาก็สะอาดด้วยเหมือนกันแต่ข้างในเราสกรปรกนะครับข้างนอกออกมาดูเหมือนจะสะอาดก็ตาม แต่มันก็ยังสกรปรกอยู่ดีพระเยซูเน้นครับเรื่องท่าทีข้างในไม d เซตข้างในครับทัศนคติที่เกิดขึ้นข้างในต่างหากหลังจากนั้นพระเยซูก็เริ่มกล่าวถ้อยคำที่เต็มไปด้วยวิบัติ ถ, ถึงหกครั้งด้วยกันครับวิบัติแก่เจ้าพวกปริศีวิบัติแก่เจ้าพวกธรรมจาร์ปริศีก็คือคนที่เคร่งศาสนานะครับมีพิธีกรรมเยอะพวกธ ร, รรมจาร์ก็หมายถึงคนที่สอนพระกัมภีครับ พระกมพีในสมัยนั้นก็คือพระกมพีเดิมคำว่าวิบัติครับเป็นคำแสดงถึงความเสียใจนะครับเป็นการเตือนอย่างรุนแรงย้ำเตือนเหมือนกับผู้พยากรณ์ในสมัยก่อนนะครับเพราะว่าพระองค์นั้นรู้ล่วงหน้าผู้พยากรณ์หรือนักเทศในสมัยก่อนเขารู้ล่วงหน้าครับรู้ล่วงหน้าเพราะว่าพระเจ้าเปิดเผยสาแดงให้กับเขา เพื่อที่เขาจะเป็นการเตือนว่าวิบัติวิบัติวิบัติแน่นอนพี่น้องครับหลายคนคิดว่าพระเจ้าสาบแช่งมนุษย์ผมจะบอกว่าพพระเจ้าไม่เคยสาบแช่งมนุษย์ครับพระเจ้ามีแต่เตือนมนุษย์ล่วงหน้าย้ำเตือนด้วยความรุนแรงนะครับย้ำเตือนอย่างรุนแรงเหมือนกับเป็นการตะโกนบอกเราครับด้วยเสียงดังว่าวิบัติวิบัติวิบัติพี่น้องครับคนฟริสีนั้น ได้รับคำเตือนหกระการนี้คาถามก็คือว่าจะมีคนกลับใจไหมครับในพระคัมภีร์เราเห็นถึงคนกลับใจครับพี่น้องอย่างน้อยๆคาเทศนาของพระเยซูคาเตือนคาย้ำเตือนวิบัติวิบัติวิบั ต, บ ต, บติก็ทำให้คนบางคนได้หันกลับมาหาพระเจ้าได้ระเบียบการถวายทัศน์สัของพวกเขานะครับ ท้ า, างแปลว่าหนึ่งในสิบพวกเขาจะต้องถวายทศสางของสารเนรขมิน้นและผักแต่พระเยซูกําลังบอกกับพวกเขาว่าทศสางเหล่านี้ไม่สามารถชดเชยความผิดอันเกิดจากการไม่รักพระเจ้าไม่ได้แสดงออกถึงความรักพระเจ้าอย่างแท้จริงครับไม่ได้แสดงออกถึงความชอบธรรมในชีวิตของเขาอย่างแท้จริง นี่คือประการแรกของคําว่าวิบัติวิบัติกับพวกเขาเพราะอะไรครับเพราะว่าพวกเขานั้นถวายท่าสังแต่ภายนอกแต่จิตใจของเขานั้นไม่ได้รักพระเจ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับพอเพราะเหตุที่ว่าหลายครั้งนั้นเรามาโบสมาฟังเทศและเราก็ถวายท่าสังถามว่าเราถวายท่าสังอันเกิดจากความรักในพระเจ้า และอันเกิดจากการที่เราดำรงตนอยู่ในความชอบธรรมจริงๆหรือเปล่าประการที่สองครับวิบัติที่สองก็คือการไม่ถวายเกียรติพระเจ้าเราแย่งเกียรติพระเจ้าไปพระเยซูทรงสาปแช่งการที่พวกเขาชอบนั่งอยู่ในที่นั่งอันมีเกียรติในธรรมศาลาอยากจะให้คนอื่นยกย่องอยากจะให้คนอื่นคำนับที่กลางตลาดชอบครับ และพี่น้องครับที่นั่งเหล่านี้เป็นที่นั่งแถวหน้าในธรรมศาลานะครับหันหน้าเข้าหาที่ประชุมเป็นที่นั่งที่สูงวนไว้สำหรับสมาชิกที่สำคัญที่สุดพวกฝรั่งีศธรรมจารย์ชอบเลือกที่จะนั่งที่นั่งเหล่านี้ครับเพื่อให้คนยกย่องพี่น้องครับการไม่ถวายเกียรติพระเจ้าเท่าที่ควรการแย่งเกียรติพระเจ้าไปเป็นการลบหลู่พระนามของพระเจ้าครับซึ่งผิดในพระบัญญัติสิบประการ ลบหลูผนามของพระเจ้าประการสุดท้ายครับในวันนี้ก็คือวิบัติที่สามครับวิบัติที่สามอยู่ในข้อที่สี่สิบสี่วิบัติแก่เจ้าด้วยว่าเจ้าทั้งหลายเป็นเหมือนที่ฝังศพซึ่งไม่ได้ปรากฏและคนที่เดินเหยียบที่นั่นก็ไม่รู้ว่ามีอะไรเพเซียวกำลังบอกว่าหลุมฝังศพนั้นเป็นสถานที่เรียกว่าเป็นหม่นทินครับ และพวกฟาริสีพวกธรรมาจานนั้นเป็นเหมือนหลุมฝังศพก็คือชีวิตของเขานั้นเป็นมนทินและการติเตียนผู้นำศาสนาอย่างรุนแรงเพราะว่าพวกเขานั้นมีความเชื่อว่าการถูกต้องตัวคนตายหรือเดินอยู่บนหลุมฝังศพนั้นทําให้คนคนนั้นมีมนทินเปเยซูกาบอกว่าพวกเจ้านี่แหละเป็นหลุมฝังศพที่จะทําให้คนอื่นเป็นมนทินและนี่เป็นเหตุผลที่เปเยซูเปรียบเทียบพวกฟาริสีกับที่ฝังศพ ซึงมองไม่เห็นในเวลากลางคืนคนอื่นจะไปเหยียบถูกเป็นมนทินโดยไม่รู้ตัวเพียชูอธิบายว่าพวกฟอริสีพวกนี้นะครับเป็นผู้ที่เผยแพร่หรือแพร่เชื้อนะครับแห่งมนตินพี่น้องครับชีวิตของพวกเขานั้นไม่สอดคล้องกับคําสอนชีวิตของเขานั้นเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีชีวิตของเขานั้นกําลังแพร่เชื้อโรคร้ายที่จะทําให้คนอื่นเป็นมนทินไปด้วย เป็นนครับในเช้าวันนี้อยากจะให้พวกเราไปพิจารณาตัวเองครับในสามด้านนี้เราได้ทําผิดต่อพระเจ้าของเราหรือเปล่าครับเราได้ดําเนินพิธีทางศาสนาประกอบพิธีทางศาสนาเราได้ถวายแต่ว่าจริงๆแล้วออกจากความรักที่เราปรารถนาที่จะรักพระองค์อย่างแท้จริงหรือเปล่าในการทําพิธีทางศาสนาต่างๆประการที่สองก็คือว่าเราทําพิธีทางศาสนาต่างๆเพื่อ จะให้เกียรติตัวเองเรากําลังแย่งเกียรติจากพระเจ้าหรือเปล่าและสุดท้ายในวันนี้ก็คือว่าการมีชีวิตที่ไม่สอดคล้องกับคําสอนคําพูดของตัวเองนะครับจะกลายเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีและทําให้แพร่เชื้อโลกร้ายเป็นเชื้อเลวไปให้คนอื่นด้วยเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับพี่น้องครับเราอยู่ในชุมชนแห่งความเชื่อในพระเยซูคริสต์เราจะต้องมีชีวิตที่สอดคล้อง เราจะต้องมีชีวิตที่ถวายเกียรติและเราชีวิตต้องมีชีวิตที่ตอบสนองต่อความรักที่พระเจ้าให้กับเราอาเมนีน